ใช่คือคนที่แบบตัวเองผิดเนี่ยนะก็คือถ้าถ้าเราผิดนะมันแก้ได้ใช่ไหมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นผิดนะโอ้โหปนามมากเลยเนะีือใหญ่มา ก, ก น, นะถ้าคดีเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าคนอื่นนะแหมคอขาดพอใจมากแต่ของเรานะ่ยมันจะยื่นอุทอนได้นะมันจะจะผลักได้อะไรได้เนี่ยนะก็ูให้อภยัยตัวเองมากนั <c> ่น <oughs> ก็ อย่าว่าผ่านนนบันลู่ช้าแล้วท่านบนรลุไปสองพันกว่าปีแล้วนะแล้วท่านกระทรงพระไตวิโดอกด้วยของเราจําได้กี่สูตรแล้วเ ง, งี้ยห่างกันมากได้นับถือผ่านนนนี่ก็เป็นบุญแล้วนะให้คิดอย่างนี้ไว้เถอะเนี่นยนะครับคือสำนวนว่าผ่านญาณนะวิจารณไม่ในแง่ดีอย่างเดียวคือปกติปุถุชนนะท่าวิจาร์ในแง่ไม่ดีวิจาร์ด้วยจิตตรงไหนเอาโทสะ ถ้าวิจารณด้วยจิตที่เป็นโทสะนะตัวไขก็ตัวไขและ่ะถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเราวิจารา์ไม่ดีผ้าอนนลมนลุชามมินนะเราอาจจะบรรลุชา้าวะผ้าอนนเยอะก็อันน mm hmm. ั้นยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าสมัยของเรานะสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมที่คติการะช่างม่อชวนะไปหาพระพุทธเจ้านะบอกโอ้ประโยชน์อะไรด้วยการไปหาสมณะล้นโพธิยานท่านได้โดยยาก ก็ว่าด้วยอำนาจมานะเนี่ยความที่นึกว่าตัวเองนี่แจ๋งเลยมานะมากอ่ะก็มินมินพระพุทธเจ้าว่าหบรรลุยากแล้วตัวเองอ่ะเป็นไงหปีใช่ไหมไอ้คำนั้นเนี่ยหกปีอะ่ะ ท, ทั้งทงที่รู้ว่าตัวเองอพอออกบวชเนี่ยพระโพธิสัตว์รู้เลยว่าอินทรีย์ตัวเองยังไม่แก่กล้ายังไม่ได้บรรลุในช่วงนั้นท่านก็รู้นะแต่ว่าท่านจะกลับไปไม่มีไม่ใช่ฐานะของท่านแล้แล้วก็อยู่ไปจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้าเป็นต้นเนี่ยท่านรู้อยู่แล้ว ก็อย่างในทเวทาวิตรักสูตรเป็นต้นนะท่านท่านปรับอินทรีย์เรื่องอินทรีย์เรื่องอะไรท่านเข้าใจอย่างดีอยู่แล้วแต่ท่านก็รู้ว่าอินทรีย์ของท่านยังไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุได้อย่างพ่านนท์ท่านก็มีอัธยาศัยแบบนั้นท่านมีศรัทธาที่จะเป็นแบบนั้นเห็นไหมก็เหมือนอะไรเหมือนกับพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเราเนอดีตชาติท่านควรจะบรรลุเมื่อเสียสงไข่แสนกลับที่แล้วใช่ไหมแต่ทําไมท่านไม่บรรลุ啊 อันนั้นคือการุณาเนี่ยเป็นเครื่องจะเรียกกั้นกั้นสำหรับพระองค์แต่ดีสำหรับเราเนี่ยนะใช่ไหมลแล้วเราจะว่าไ ง, างนี่ก็เทิดทูนไงเออเนี่ยเป็นพระมหากรุณาของพระองค์นะถ้าหาว่าพระองค์ไม่การุณาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาได้เข้าใจคำสอนหรืออะไรเนี่ ย, ยก็ระลึกในแง่นี้ไปอันพระอริยทั้งหลายก็เนี่ยสูตรก็มีอัญชลีการะอะไรนะ อาหุเนโยปาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ควรอันทอัญชลีกรรมเป็นผู้ควรทําสามีจิกรรมะกิจของเราทํากับท่านเท่านั้นแหละวิจาร์ในแง่ไม่ดีก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคุณลาวันยังไม่ได้ว่างั้นนะแต่ว่าก็ก็อยากให้บรรลุเร็วกว่านั้นใช่ไหมใจที่พูดวีเราจะเอาเป็นส่วนใจเป็นหลักใจ ใช่ได้คใช่แต่พูดถึงมรคนะในแต่ละมร์เนี่ยเรียกว่าเป็นสหัสสนัยก็ได้เป็นพันในในมร์เป็นพันในนี่เป็นยังไงยังไงอันนี้นี่จําแนกในในธรรมสังขีนีเนี่ยธรรมสังคีนีพูดมร์ไว้พันในพันในนี้คือมร์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ อัปปนิหิตะมัค ก, กับสุญญาตมัคอันนะอปปนิหิตะมัค ก, กับสุญญตมัคโดยโดยพระพิธรมเนี่ยจะพูดสองอย่างคื อ, อสุญญตมัค ก, กับอับปปนิหิตะมัคสุญญตมัคเนี่ยก็คือ สุญญตาก็คือมรรคที่มีนิพพานสายใจในนิพพานโดยสุญญตาคือว่างเนี่ยนะกับอัปปนิหิตะอ่านะสุญญตาก็คูณด้วยปฏิปทาสีอ่านะอัปปนิหิตะก็คูณด้วยปฏิปทาสีเท่ากับเท่าไหร่อ่านะบวกกันก็เท่ากับแปด แบบสุดทธิกะไม่ต้องพูดถึงปฏิปทาอีกสองรวมกันเท่ากับสิบเนี่ยนะก็เป็นสิบมรรคนใช่สิบในสุญญตาล้วนล้วนอ ป, ปนิฮิตะล้วนลวนแล้วก็ยกสุญญตามาแบบปฏิปทาสี่คือทุกขาปฏิปทาอนะไรทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทา ขิปาพิญญาสุขขาปฏิปทาธันทาพิญญาสุขขาปฏิปทาขิปาพิญญ า, า, ญญานี่ก็สี่นี่ก็สี่เหมือนกันก็เลยเป็นสิบทีนี้ในสี่เหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นเท่าไหร่แล้วนะเป็นสิบนะใช่ไหมสิบนี้ไปคูณกับในยี่สิบในยี่สิบในเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเจริญโลกุตระชาไงนะ ใช้คำว่าหนึ่งนะกลุ่มหมวดที่หนึ่งเจริญโลกุตระชาญหมวดที่สองเจริญอะไรเจริญมัคชาญอันนเออเจริญมัคที่เป็นโลกุตระเห็นไหมในย่อหน้าที่ย่อหน้าสุดท้ายนะอันหนึ่งจำแนกโดยอาการอย่างละสิบโดยชื่อแห่งมัค ก, ก็คือเท่ากับเจริญมัคอันนี้เป็นวาระที่สองนะวงเล็บสองข้างบนเลยสอง ก็สิบหัวในเหมือนกัน3โดยสติปทานเจริญสติปทานที่เป็นโลกุตระสเจริญสัมมาปทานที่เป็นโลกุตระหเจริญอิทธิบาทที่เป็นโลกุตระหเจริญอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระ5เจริญเออเจ็ดใช่เจริญพระที่เป็นโลกุตระ8เจริญพ่อชงที่เป็นโลกุตระ9้าเจริญสัจจะที่เป็นโลกุตระ10เจริญสมถะที่เป็นโลกุตระ 11เจริญวิปัสนาธรรมที่เป็นโลกุตระสิบสอเจริญขันธ์ที่เป็นโลกุตระนามขันธ์อย่างเดียวนะสิ 13. ก็เจริญอายตนะที่เป็นโลกุตระ14เจริญธาตุสิอาหารที่เป็นโลกุตระนะ16บหกภาษาที่เป็นโลกุตระ17เจริญเวทนาที่เป็นโลกุตระสิ 15. เจริญสัญญาที่เป็นโลกุตระสิบเก้าเจริญเจตนาที่เป็นโลกุตระยีิบเจริญจิตที่เป็นโลกุตระหมอนับครบไหมครบหรือขาดหนึ่งชาญสองมักชาานก็คือเนะี่ยโสดาปฏิมักก่อนนะย่อหน้าข้างบนนี่โสดาปฏิมักก่อนพระพุทธเจ้าจําแนกมักโดยชื่อของชาญอันนี้ก็หนึ่งยี่สิบ ยี่สิแล้วมาคูณสิบอันนี้แหละ <200. S 1> ก็สองร้อยพอดีใช่ไหมทีนี้ในสองร้อยเหล่านี้ก็มาคูณอธิบดีอีกสี่สรุปแล้วนะสองร้อยสี่สองร้อยเนี่ยเท่ากับว่าในสองร้อยเนี่ยคูณอธิบดีสี่เท่ากับแปดร้อยใช่ไหมคูณอธิบดีสี่เท่ากับแปดร้อยแล้วสุดที่กะในเนี่ยสองร้อย คือสุดที่กาในคือในที่ไม่ได้บวกกับอธิบดีเนี่ยนะก่อนหน้านี้200ร้อยแล้วใช่มสองร้อยบวกกับแปดร้อยเท่ากับหนึ่งพันเนะเาเรียกว่าสหัสนนะ 2> 1, 2. ในพันหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้วิธีคิดนะใหม่ย้อนเดิมนะออสุญญตะนับหนึ่งอัปณิฮิตะนับสอง อนะีแล้วก็ทีนี้สุญยะตะโดยปฏิปทามีสี่อภินิหิตะโดยปฏิปทามีสี่พันปฏิปทาเฉพาะปฏิปทาที่เป็นสุญตะสี่ปฏิปทาที่เป็นอภปนิหิตะสี่เท่ากับแปดบวกกับเที่ยวเพียวสุธิกาอนนีแ้แปลว่าแบบพูดอย่างนั้นนักเล่านะอนะนีล้วนล้นอ่ะนะนนก็บวกอีกสองก็เลยเท่ากับสิบสิบเนี่ยมันมีอยู่ยี่สิบหัวข้อสิบนะี่ยสิบแบบเนี้ยยี่สิบหัวข้อเท่ากับ สองร้อยเท่ากับสองร้อยทีนี้ในสองร้อยเนี่ยเอาแบบสุดที่กะก่อนนะสองร้อยสุดที่กะแล้วสองร้อยที่มาคูณกับอธิบดีสี่อธิบดีสี่สร้อยเท่ากับแปดร้อยใช่ไหมกับสุดที่กะอันนี้สุดที่กะกับอันนี้ที่คูณอธิบดีก็เลยเท่ากับพันหนึ่งเท่ากับพันหนึ่งแล้วก็คูณมร์อีกสี่มร์คูณสี่เท่ากับสี่พันใน ทุกมัคเนี่ยหนึ่งพันนายหมดเลยแม่ตั้งสี่พันะแต่ไม่มีสักนายเลยของเรา เ, เปิดน่นะก็นขนาดนายะ่านี้พึ่งมาคิดนะไม่ตำกล่าวถึงบรรลุนะแล้วก็พอจำได้นะว่านายสองพันมาจากยังไงก็เพราะงั้นก็พูดถึงมัคมัคโสดาปฏิมัคหนึ่งพันสกาธาคามีมัค 1,000 พันอนาคามีมรักหนึ่งพันอนาคอนาคตมีมรักพันหนึ่งอรหัตมรักอีกพันหนึ่งก็แบบสี่พันหนึง่งเอาที่หนึ่ ง, งก็พออันไหนไห น, น, นดีจางแกสุดาเ <laughs> จริญชานบรรลุหรือว่าเจริญมรักสติปัฏฐานสัมมาประทานรระานนะดูที่ชอบอัานไหนในยี่สิบหัวข้อกุณฑภาได้ใช่ไหมยี่สิบหัวข้อมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งชานสอง สสติปรานเนี่ยนสะนสี่ก็สัมมาปทานนะมันจะมียี่สิบหัวข้อพอดีก็ของมายังงงนในในในเชิงอัดนะเชิงอัดขข้อสองว่านะว่าเขาบอกว่าธรรมสังคีนีข้อสองเกแสดงมรรคและสติปทานเป็นต้นผิดจากที่นี้บ้างบางตอนจริงๆแล้วผิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสงสัยว่าคนแปลเข้าใจผิดก็ไม่ทราบ เนะท่าที่ดูแล้วเนื้อหาไม่ต่างอะไรกันเลยนะแต่คิดว่าคนแปลเขาเข้าใจาต่างแต่โดยอัถะไม่มีความต่างเลยนะถ้าไปดูธรรมสังคีนีในในตามเนี่ยนะเล่มเจ็สิบห้านะไปดูตามเนี่ยตามข้อนเนี่ยไม่ไม่ได้มีความต่างอะไรเลยข้อตรงไปข้อตรงที่เขาอ้างกันเลยแต่เขาอ่านยังไงไม่รู้ว่าต่างมาอ่านไม่เห็นต่างเลยก็เหมือนเหมือนกันนะนะ <15. S 1> เ, เล่มเจ็ดสิบห้าสุธิกะคือไม่ต้องอธิบดีไงก็สิบสิบหกข้อใช่ไหม ก็ยีสิบหัวข้อนะนะั่นน่ะเอาก่อนสนะิบมาอย่างไงสิบมาอย่างไงแล้วยีสิบมาอย่างไงวิธีถามมันนะตอนแรกก่อนสิบมาอย่างไงสิบมาจากเนี่ยหนึ่งสุญญตาสองอัปนิหิตะบวกปฏิปทาอีกอย่างละสีก็เป็นสิบบวกกับทองเดิมเป็นสิบสิบบวกยสิบหัวข้อฌานหนึ่งฌานสองมัคสามสติปทาน 4, สีสัมมาปทานไล่ไปอย่างนี้ยี่สิบหัวข้อ เท่ากับสองร้อยทีนี้สองร้อยอย่างนี้แบบสุดทธิกะไม่ต้องมีอธิบดีแสรจแล้วก็เอาอีกสองร้อยเนี่ยมาคูนกับอธิบดีสี่ <c oughs> ดีแล้วสติปทานก็นับหนึ่งข้อหนึ่งในยี่สิบนะหนึ่งในยี่สิบไหนไม่ใช่นับหนึ่งยังไงไม่ใช่ อันนั้นเป็นสุดที่กะใช่ไหมไม่ใช่สติปัฏฐานนะนั้นเป็นสุดที่กะคือสุดที่กะนี่แปลว่าล้วนๆคือไม่บวกกับบวกกับสมมุติว่าสุดที่กะตรงนี้นะสุดที่กะในสุญญากาบปนิหิตะแปลว่ามันไม่ได้บวกกับปฏิปทาส่วนสุดที่กะสองร้อยตรงนี้แปลว่าสุดที่กะแบบไม่มีอธิบดีตรงนี้ยังไม่ได้บวกอธิบดีใช่ไหมคือไม่มีอธิบดีก็เรียกสุดที่กะ แยกกัสยยอดยอดนสุธิกอีกอนึงอธิบดีอธิบดีคูณนะไม่ใช uh ่็ัแยกมาบวกกันทีหลังนั่นแหละก็เป็นสหัสไนนีในพันในเนี่ยนะถ้าไปคูณวิปัสสนอนุปัสนาไปคูณปัญญาเป็นธุระศรัทธาเป็นธุระไปคูณเป็นปัญญาอะไรนะปัญญาวิมุตติอุปโตภาควิมุตติโไม่มีจบเยอะแยะไปหมดเลย แต่ว่าของเรายังไม่ได้บรรลุสักอย่างนะขนาดเยอะนะสำนวนว่าโอ้โหประเทศไทยนะมีที่เป็นล้านๆ้านตารางกิโลเมตรแต่เราไม่มีที่สักไรอนะอย่างเงี้ยนะคล้ายๆแบบนี้นะบุญน้อยจริงๆเลยนะแต่แต่เขาก็เปิดโอกาสนะแต่เราก็มีศรัทธาแล้วนะเราก็มีส่วนนะีในประเทศไทยเาก็เปิดโอกาสใช่หาได้เช่นเดียวกันนะใช่เปิดโอกาสใช่หาโลกุตระภูมินะ มีศรัทธาหรือเปล่ากัะนะนั่นหนึ่งนะถ้าว่านึกว่าทีแรกว่าจะให้จบเรื่องจิตนะโดยชาติภูมิเพทนายเป็นต้นอะไรยังไม่ได้กล่าวแต่ที่จริงแล้วก็ เ, เดี๋ยวอีกหนึ่งเสาจะมาสรุปเรื่องจิตอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะอีกหนึ่งเสาเสสุดท้ายนี่ก็จะเน้นกลางแบบสรุปดีกว่าแต่เสาหน้าไม่ได้มาเสาหน้า ค, คือคือมาช่วงเช้าแต่ว่าบ่ายคงบ่ายปิดนะบ่ายปิดวันเสาร์เพราะว่าคือ ใครจะไปร่วมที่ที่ล้านนาก็ดีนะไปไปร่วมสนทนากันที่ล้านนาน oh, แตเขาไม่มาที่นี่เลยคือถ้ามาแล้วมันไม่สะดวก oh. คือที่ที่ว่าไม่มาเพราะเขาบางกลุ่มมาเดินทางมาด้วยรถไฟมาถึงก็แปดเก้าโมงแล้ว oh. จะมานี่ก็ไม่สะดวกคือคือเขาควรเข้าที่พักเลยบ่ายจะได้สนทนาได้แถ้ามาก็โห oh, มานั่งสเงาะสังเงกันนึ่ก็ไม่ไหว <laughs> นี่นะถ้าไม่ต้องมาก็ได้ทำไ ม, ไมอ่ะก็หยุดไปเลยเพราะพวกเราก็จะต้องไปนนนะแต่กาพูเรานี่หมายความว่าจะเอาลบหรือจะอะไรช่วยชยอธิบายได้ดีเราก็มีส่วนร่วมไดเ้เอาเอาเอางั้นก็ได้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเช้าจะปิดหรือจะเปิดวันถ้ามันมาแล้วอมันเวลามัน่เพราะว่าวันเสาร์เท่าที่คุยกันไว้คร่าวๆ ว, ว่าจะสนทนาการเช้ากับบ่ายกับค่า ที่ที่น่นเยนะเอ่อเช้าไปเรียนที่นุ่นเลยเหรอไปทันไหมไปไปเปิดที่นั่นเลยนะเอ่อเอาเออเอางั้นก็ได้นะไปไปเปิดที่นั่นเลยถ้าไปเออใช่เราก็ไม่ต้องมานะจริงผลประโยชน์ตกที่เราเนี่ยเอาๆอาเอาผลประโยชน์ตกเราเนี่ยเอาคนที่เขาจะไปเไปอยู่แล้วใช่ ก็ไม่ต้องมานี่ก่อนนะไปโน่นเลยก็ อ, อ, อย่างนั้นนะเดี๋ยวคุยกับโรโมเตอร์อีกครั้งแต่ว่าเอาอย่างนี้แหละ